วันนี้เราอยู่ในชุดพรเยซูตอนที่447เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์การเปี่ยมล้นตอนสุดท้ายครับพื่อนครับมีนักวิชาการที่รักพระเจ้าท่านหนึ่งแต่เป็นนักวิชาการทางพระคมภีร์ที่มีความเชื่อถูกต้องชื่อว่าจอห์นสต็อตนักศึกษาพระคมภี์นักเรียนคริสตธรรมทุกคนรู้จักจอห์น ข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของการบรัคติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเตรียมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นสามข้อด้วยกันครับผมก็อยากจะยกแนวความคิดของท่านจอห์นสต็อกทั้งสามให้อยู่ในการสรุปเรื่องการบรัคคิศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเตรี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับพี่น้องทุกๆท่านฟังในชาวันนี้ แรกสุดครับอาการแรกก็คือท่านขอพูดกับคนที่อาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์เหนือธรรมชาติเกี่ยวกับพระาวิญญาณบริสุทธ์นะครับไม่ต้องกลัวครับและไม่ต้องรู้สึกน้อยใจหรืออิจฉาคนที่เขามีประสบการณ์ครับถ้าเรารู้สึกกลัวหรืออิจฉา เราก็คงจะผิดและไม่ถูกต้องแต่เราต้องมีท่าทีที่ถูกต้องในขณะที่มีบางกลุ่มบางพวกอ้างว่าพวกเขานั้นมีในสิ่งที่เราไม่มีเราจะต้องพิสูจน์ครับและโดยคำสั่งในปรนาชนพระเจ้าในหนึ่งเทศริกาบทที่ห้าข้อยีสิบเ็ได้สั่งให้เราพิสูจน์ทุกๆุกวิญญาณเหมือนกับที่ในหนึ่งยอดบทที่สีข้อหนึ่งได้กล่าวไว้และเราจะรู้ครับว่า เป็นการฉลาดที่เราจะหยุดคิดพิจารณาและพิสูจน์ทุกสิ่งอย่าลืมนะครับเราจะต้องแยกแยะวิญญาณและขณะเดียวกันหากประสบการณ์ของผู้ที่อ้างว่ารับพระวิญญาณโดยวิถีการเหนือธรรมชาตินั้นไม่มีสิ่งใดขัดแย้งกับพระกัมพีแล้วเราก็เราก็ควรจะยอมรับครับและหากประสบการณ์นั้นเป็นคุณประโยชน์ต่อคริสเตียและเสริมสร้างคริสตจักร เราก็ต้องถ่อมใจพร้อมเที่จะน้อมรับงานเหนือธรรมชาติของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคนอื่นอย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็จะต้องพูดเหมือนกับที่กามารีเอลพูดท่านกามารีเอลพูดในกิจการบทที่ห้าข้อสามสิบแปดสามสบเก้าท่านพูดอย่างนี้ครับจงปล่อยคนเหล่านี้ไปตามเรื่องอย่าทำอะไรเกะเขาเลยเพราะว่าถ้าความคิดหรือกิจการนี้มาจากมนุษย์ก็จะล้มละลายไปเองแต่ถ้ามาจากพระเจ้า ท่านทั้งหลายจะทําลายเสียก็ไม่ได้เกลือกว่าท่านกลับจะเป็นผู้สู้รบกับพระเจ้าพี่น้องครับหากว่าท่านยังไม่มีประสบการณ์เหนือธรรมชาติแบบที่ว่ามีปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับอารมณ์ความรู้สึกและร่างกายของคุณในลักษณะแปลกๆนะครับเราอย่าน้อยใจเราอย่ากลัวครับเราจะต้องพิสูจน์ครับและในขณะเดียวกันเราจะต้องไม่บอก และไม่พูดว่าสิ่งเหล่านี้มาจากมารซาตานครับเราต้องระมัระวังที่จะไม่หมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยเหมาเอาว่างานของพวิญญาณบริสุทิ์นั้นเป็นงานของมารพูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับต้องระวังในขณะเดียวกันครับเราก็จะต้องยึ ด, ยดหลักที่ว่าไม่ดับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการยับยั้งนะครับหรือหยุดพระองค์แล้วก็วางโรองอยู่ภายใต้รูปแบบประเพณี คำสอนที่ตกทอดมาโดยไม่มีหลักการในพระวจนะรองรับหรือบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยรู้สึกปลอดภัยที่เราอยู่อย่างนี้กันมานานแต่เราก็ไม่ยอมรับเรื่องที่เป็นเหนือธรรมชาติไม่ยอมรับเรื่องที่สิ่งต่างๆที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงกระทำและเราก็ไม่ควรแสดงความไม่พอใจหากพระองค์จะทรงกระทำ ปกติในชีวิตของเรานะครับองค์สามารถทำได้ทุกอย่างครับทั้งเหนือธรรมชาติทั้งอยู่ในธรรมชาติทั้งเหนือผิดปกติและอยู่ในความเป็นปกติประสบการณ์เหนือธรรมชาตินะครับไม่ใช่เป็นสิ่งจําเป็นที่ขาดไม่ได้นะครับอย่าลืมครับไม่มีประสบการณ์เหนือธรรมชาติก็เติบโตสู่ความไพเราะของระเยซูได้ครับ นะครับบทไปอีกครั้งครับไม่มีสิ่งที่อยู่เนือธรรมชาติที่ปรากฏกับชีวิตของเราหรือประสบการณ์เหนือธรรมชาติเราไม่มีไม่ได้หมายความว่าเราจะเติบโตฝ่ายวิญญาณเติบโตในพระวิญญาณบริสุทธิ์สู่ความไพ่บูรุณของพระเยซูคริสต์ไม่ได้นะครับเราควรชื่นชมใดีในสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในฐานะที่พระองค์ทรง ส, งสอนความจริงแก่เราและเป็นพยานแก่เรา และนำความชื่นชมยินดีในความรักและความยินดีสันติสุขและลิขิตอานาจที่โปรง่งดีสูงมอบให้กับเราอันนี้เป็นประการแรกพี่น้องถ้าว่าพี่น้องยังไม่เคยมีประสบการณ์นะครับในพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ในลักษณะเหนือธรรมชาติก็ไม่ต้องท้อแท้ใจนะครับเราสามารถเติบโตได้โดยที่ไม่มีปรากฏ ก, การณ์หรือเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเหมือนกับคนอื่นได้ครับประการที่สองครับท่านจอห์นสต็อต กล่าวกับผู้ที่เคยมีประสบการณ์เหนือธรรมชาติเกี่ยวกับพระวิ ญ, ญญาณแน่นอนครับเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพระคุณยิ่งใหญ่ที่ได้ให้กับเราแต่ขอให้เราเลิกเสมอว่าพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเป็นวิ ญ, ญญาณสูงสุดครับพระองค์ไม่เพียงแต่ให้ของประทานต่างๆกันตามชอบวัฒน์ไทยของพระองค์อีกทั้งพระองค์ยังทรงปฏิบัติงานเหนือธรรมชาติแตกต่างกันออกไปตามชอบวัฒน์ไทยของพระองค์ด้วยจึงเป็นที่เข้าใจนะครับว่า เราอยากจะเป็นพยานนะครับถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ดทรงกระทํากับเราแต่อย่าพยายามกําหนดให้คนอื่นทําตามเรานะครับอย่าคิดว่าเราเป็นแม่พิมพ์ประสบการณ์จิตวิญญาณของทุกๆคนนะครับอย่า ก, กําหนดตัวเองนะครับหรืออย่ากยกย่องตัวเองว่าเราเป็นแม่พิมพ์ประสบการณ์จิตวิญญาณของคนอื่นๆผู้วิญญาณนั้นจําเป็นต้องมอบสิ่งที่ทรงให้แก่ท่านให้กับคนอื่นอาจจะไม่เหมือนกันครับ จำธธเปินเสียทุกคนนั้นถ้าคุณฝ่ายวิ ญ, ญญาณไม่ใช่ของประธานหรือประสบการณ์ฝ่ายวิ ญ, ญญาณที่ต้องเหมือนกันหมดนะครับกล่าวคือขอให้ประสบการณ์ของเรานะครับนําเราไปสู่การนมัสการการสรรเสริญพระเจ้านะครับแต่คํำสอนหรือแรงจูงใจคาจูงใจคาเชิญชวนของเราจะต้องวางอยู่บนรากฐานของพระคัมภีร์อย่าวางอยู่บนรากฐานประสบการณ์ของท่านเองนะครับและเมื่อประสบการณ์ของท่านของเราแต่ละคนนั้นนะครับ มันเจาะจงเฉพาะตัวครับอย่ายัดเยียดให้คนอื่นนะครับอย่าไปบอกว่าการรับประดิษมาด้วยพิมพญยาณบริสุทธิ์นั้นจะเป็นต้องเป็นประสบการณ์ครั้งที่สองติดตามหลังจากที่มันเกิดใหม่แล้วประการที่สามครับเป็นคำเตือนและก็คำกำชับสำหรับทุกคนไม่ว่าพวกเราจะมีสภาพจิตวิญญาณเป็นยังไงขอให้เราใฝ่หาเสมอที่จะเปี่ยมล้นด้วยพิมพ์าบริสุทธิ์ครับ ที่จะมีชีวิตดาเนินอยู่ในพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ที่จะมีชีวิตเติบโตในพระวิญญาณครับและมีพระวิญญาณนําหน้าเสมอเราจะไม่ยินดีร่วมกันในรากฐานอย่างนี้เหรอครับพี่น้องครับอย่าให้มีการแตกแยกในหมู่เราความจริงแล้วเราแตกแยกกันมานานนะครับแต่เราจะต้องกลับมาสู่ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการที่เราจะประกาศนะครับในการที่เราจะพิปานในการที่เราจะสร้างสาวกพี่น้องครับ เชื้สูตรรับว่าบุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขการหิวกระหายความชอบธรรมนั้นเป็นภาวะอย่างหนึ่งของขริสเสียนครับเช่นเดียวกับความรู้สึกปกพร่องฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกับความรู้สึกที่จะเป็นผู้ที่ปรารถนาที่จะมีใจอ่อนโยนหรือใจกรุณาดังนะครับอย่าให้ผู้ใดนะครับที่มีประสบการณ์เหนือธรรมชาติไปดูถูกคนที่ คนที่ไม่มีประสบการณ์หรือธรรมชาติเหล่านั้นก็อย่าไปอิจฉาอย่าไปคิดว่าเราจะต้องมีเหมือนกับเขาเพราะเหตุที่ว่าเราได้รู้หลักการของพระกัมพีเรียบร้อยแล้วว่าแท้จริงแล้วการที่จะมีหรือไม่มีไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเติบโตฝ่ายวิญ ญ, ญาณเพราะว่าทั้งสองแบบทั้งสองพวกนั้นก็สามารถเติบโตได้เหมือนกันแกนสารสาระที่สําคัญก็คือว่าเราจะต้องมีชีวิตที่เชื่อฟัง และเราจะต้องมีชีวิตที่แสวงหาการเปลี่ยมล้นการเติบโตในพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ครับเราต้องมีชีวิตที่หิวกระหายความชอบธรรมเราต้องมีชีวิตที่ความรู้สึกปกป้องไฟวิญญาณนั่นแหละครับคือความถ่อมใจเรียนรู้จเจริญขึ้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์จนกว่าเราจะถูกรับไปอยู่กับพระองค์ขาพรเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้และให้เราเข้าใจเรื่องนี้เราก็จะสามารถอยู่กับคนอื่นๆที่มีความาเชื่อ ในเรื่องประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ด้วยกันได้ด้วยความจริงใจและด้วยความต้องการที่อยากจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอาเมน